ไปหาเล่านะอันนี้นอาจจะบ่งบอกถึงกิเลส ข, ของคนเราก็ได้นะเพราะว่าพอมันอยากจะกินเล่าแล้วมันก็จะสรรหาสารพัดเหตุผลมาเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการกินเล่าแต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มากไปกว่า น, นั้นก็ได้ก็คือจริงๆเนี่ยเขาอาจจะอยากเลิกเล่าจริงๆก็ได้นะ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 สวิงกลับนะกลายเป็นทำชั่วได้ น, นีเจอมาเยอะแล้วนะพวกยึดติดความดีแล้วกลายเป็นทำชั่วเนะี่ยพวกที่ก่อการร้ายนะนะในหลายประเทศทั่วโลกเนะี่ยพวกนี้ไม่ใช่พวกเกกงเมลเกเลนะเป็นพวกที่เคร่งครัดในาศาสนาทําตามบทบัญญัติของาศาสนาอย่างเคร่งครัดนะแต่พอเห็นสิ่งรอบตัวเห็นผู้คน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 ไม่ได้ความสงบนะหรือว่าไม่เกิดปัญญารูปนามก็ไม่เห็นทํายังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้ความผิดบังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากตามลาดับขั้นของความอยากหรือความยึดติดทุดท้ายไปถึงพรรษาเนี่ยก็สึกละนะบางคนตั้งใจะจะบวชตลอดชีวิตเอานิพพานให้ได้นะชานี้ต้องเอานิพพานให้ได้มาด้วยความมุ่งมั่นด้วยฝ่ายที่แหลงกล้า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 พอขับไปสบายๆอุบัติเหตุก็ไม่เกิดนะยางก็ไม่แตกนะถึงที่หมายเร็วกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะลองสำรวจจิตใจเรามันมีความยึดติดอะไรหรือเปล่านะความอยากก็เป็นความยึดติดอย่างหนึง่งนะซึ่งมันทำให้มันมักจะทำให้เกิดผลตรงกันข้ามนะอยากให้ได้อยากได้ความสงบยึดติดในความสงบก็กลับให้สงบนะอยากถึงไวๆ ยึดติดในจุดหมายปลายทางในความคาดหวังจะต้องถึงให้ได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะกลับใช้เวลาเป็นชั่วโมงยึดติดในความดีบางทีกลับส่งผลทำให้ทาชั่วได้วยซ้ำลองพิจารณาดูชาณิพน่์ธนินท่านนะกลับ